มีใครเนี่ยเห็นแล้วไปว่าสถานวันไหวเห็นนายชมชายนายชมชายกันเน่ยเออเจ้าชูไม่เลือกหนาเหมือนกันผัวนิส่อก็ฟ้องเขาก็ฟ้องจับได้เพราะความลับมันไม่มีในโลกเนะ่พราะจับได้แล้วก็พระเจ้าประเส้นที่โกโซนของอันนี้เป็นหลานของอนาถาเมดิวะ่ะเป็นคนใหญ่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 อย่างที่ผู้ใดก็ตามอย่างทุกขตะเนี่ยทำบุญใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้ า, อาพอทำบุญเสร็จแล้วพระประเจกตั้งความปรารถนาว่าสาตูนเอ้าข้าพรเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคำว่าสิ่งไหนก็ตามที่ข้าพรเจ้าต้องการแต่ว่า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 สมความมุ่งมา่นปราถนาพระประเจกยังให้พรเนีเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปราถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเถินะที่ท่านให้พรพระอพนุรุท ธ, ธนะจากนั้นพระอนุรุทธะเนี่ยเกิดมาพบนิชาตินี้นไปเล่นไปเล่นส ก, กาไปเล่นอะไรแพ้เขานะแพ้ แพ้หมูพวกเพื่อนอเพราะว่าเป็นเชื้อพะวงอไปเป็นชายหนุ่มเป็นหนุ่มเชื้อพะวงเป็นหมอมเจ้าไปเล่นลูกสกาไปเล่นนั่นการพนันด้วยกันแพ้เขาพกแพ้เขาบอกถ้าใครแพ้ก็ต้องกินขนมคนนั้นอ่อนุรุทธะแพ้ครั้งที่หนึงไปบอกให้มหาดเล็กบอกว่าไปเอาไปเอาขนม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 มหาหเล็กก็วิ่งจันเข้ามาพระลูกเจ้าครับขนมหมดนะขนมไม่มีครับพอพระแม่เจ้าบอกว่าขนมไม่มีครับขนมหมดแล้วครับอนุรุธธทธะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินว่าขนมไม่มีร่วมหมดขนมไม่มีนะมันเป็นยังไงฮนะไม่เคยได้ยินคํานีเนนะ่เลยบอกมหาดเล็กอีกไปนั่นแะหละไปเอาขนมที่ไม่มีนะมา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 ขนมไม่มีเป็นอย่างงี้แหละไปเอาไปมหาดเลยก็ได้ลับถาดเปล่าสองใบครอบกันเลยก็วิ่งจันไปช้าไม่ได้เะพระลูกเจ้าในใจร้อนพอไปเทวดารักษาพระนครเทปเจ้าเหล่าเทวารักษาพระนครโอ้ยไม่ได้ไดพระอนุรุทธะ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 เอาขนมใส่ เ, เทพเทพพยดารักษาพนครเอาขนมก็ใส่เต็มถาดเลยมากขนมพอใส่ก็ไปไปถึงยกไปให้อนุรุธาอนุรุธาก็เปิดโอ้โหทำไมวะแต่ก่อนหน้านี้แม่ของเราคงไม่รักเราไม่เคยทำขนมไม่มีให้เราทานเลยอธิพุทโขนมนี้มันเออ น่าทานแล้วเกิดเี่ยแต่ก่อนทำไมไม่ทําอย่างนี้วะคุณแม่เราเนี่ยะแสดงว่าคุณแม่ไม่รักเราน่ะเพิ่งมารักเราวันนี้เองเนี่จากนั้นกับแบ่งกันกับพวกหมูพวกเพื่อนอกินขนมเสโออะเลสอร่อยขนมะขนมไม่มีเนี่ยพอเสร็จมาแล้วก็กลับมาถึงบ้านมากระตอว่าแม่อีกนะคุณแม่แสดงว่าจะไม่รักผมนะแต่ก่อนใช่ไหม